ในช่วงของการคุยธรรมะที่เราจะ นะจิตกัมมุชชามีลักษณะการทํางานมีๆเหมือนจิตของตัวฆาตชาเหมือนๆคนคนที่ มันเป็นเรื่องลึกซึ้งชายในโปรจิตของเราเองเหมือนที่เราริไม่รู้เลยเราคิดเรื่องอะไรบางที เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความฉลาดในวารจิตของตัวเราเอง นะเราเองตางหาที่จะต้องมาอ่านจิตของเราเองนั้นถ้าเราจะไปเที่ยวหาให้คนอื่นเค้ามาคนไหน แต่มันคนที่ดีที่สุดที่จะคอยเตือนจิตของเราให้มันอย่าไปคิดชั่วให้ๆๆบอๆเนี่ยตัว เดี๋ยวบางทีเรานั่งเพลินแล้วก็ฝัน 10 นาทีในช่วง 9 นาทีก่อนหน้านี้ลืมไปแล้วไม่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องควรที่ ไอ้เราได้ยินเสียงวิทยุอยู่อันนี้ถูกละแล้วเราจับจมูกดูมีลมหายใจออกมามั้ยถ้ามี เนี่ยเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่เห็นมัน แม้คุณจะเอาตาไปรู้เรื่องใจได้ยังไงอ่ะคือหมายความว่าอย่างคุณ นะเจ้าใจของคุณอื่นมารู้ใจของเรา เข้าที่ออกที่ออกน่ะไม่ให้คนที่ไม่รู้จักเข้าไปน่ะคนที่ดีคนที่รู้จักเข้าไปน่ะไม่ให้คนที่เป็น ภาษาเกิดมาปุ๊บมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนานี้ไม่ใช่จิตนะท่านฟังหรือมีอารมณ์ใดตามพวกนี้ นั่นมันจะมาช่องอยู่รอรอช่องอยู่อาจจะมาวางกระบะถ้าผมว่านายทวารนี่ไม่ฉลาดไม่รู้ว่าอันนี้เป็น นะจะจะว่าบ้างคิดไม่ดีบ้างไปปุ้ยปุยยําเพลินไปบ้างด่าเข้าบ้างว่า ไอ้อันนี้เป็นอกุศลนี่ไม่ให้เข้านะไม่ 24 ชั่วโมง เอาถ้าเหนื่อยเอาลดกะลงให้มันสั้นลงเอาถ้าเหนื่อยเอาลดกะลงให้มันสั้นลงในเช่นเดียวกันเราจึงต้องมีการฝึกใน เรียกว่าเป็นรูปแบบแต่อ่าไม่ใช่เป็นรูปมีรูปแบบในการฝึกอยู่นั่นหมายความ อันเนี้ยเรียกว่าการฝึกชนินี้ที่ว่าทําอยู่ 2 อย่างเนี่ยจะช่วยทําให้จิตของเราเนี่ยมีจะ นําบาปิกษุทั้งหลายเอาไว้บอกว่าพึงเป็นผู้มีสติมีศีลเป็น นะไม่ให้ไปทําชั่วเนี่ยอย่างน้อยจิตมันต้องได้ แล้วก็จะทําก็เรียกว่านิพพานๆท่านฟังนะระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะทําไปทําไปอย่างเงี้ยมีสติอยู่เนี่ยเอ่อนอกจากจะทําให้จิตของเราน่ะมีได้รับการรักษาแล้วนะผู้ที่มีจิตได้รับการรักษาอย่างเงี้ยก็จะมีเวทนาเบาๆด้วยนะเวทนาที่เบาบาง ความรู้สึกอะไรที่มันจะจี้จ๊าดความหน่วงขึ้นหน่วงลงเนี่ยก็จะ นะมีเมตตาเบาบางนั้นก็ทําให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนได้แต่มันก็อาศัยกายนี้มายึด <inspir> แม้แต่ใครนั่งสมาธินะแล้วก็เอ่อรวมคิดน้อมไปพิจารณาเรื่องใด สว่างจ้าขึ้นมานะเรามีปัญหาได้ในชีวิตนั้นทําใจต้องคิดอะไรแล้วมันก็เดี๋ยวจะมีคําตอบออกมาได้เหมือนกันนี่เป็น เห็นตามที่มันเป็นได้ตามที่มันเป็นได้เห็นตามสภาพของมันเห็นตามจริง คนในโลกสมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะถ้าเรายอมรับเราก็จะมีๆมันเป็นยังไง เรามีสมาธิมีสติเห็นตามด้วยเป็นจริงเห็นตามด้วยจริงก็ปล่อยวางได้นั่นเองการปล่อยวางก็ไม่ใช่เรื่องยากท่านผู้ฟังนะๆนี่มันคนละ